นิสสัคคยะปาจิตตี3าปาจิตตีิ92ปาติเทสนียะสเสขียวัตเจสอธิกรณะสมถะเจ็รวมเป็น227อันนี้เป็นพุทธานาที่พระพุทธเจ้า ว, วางอำนาจไว้เป็นหลักการปกครองคณะสงฆ์แม้แต่เวลาที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานพระอานนท์ได้ทูลถามว่า